สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะเช่นเคยค่ะว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสิ่งลี้ลับเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะฟังเพื่อความบันเทิงให้ตัวเองสบายใจ ดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นปลาประสบการณ์สุดหลอนเลยนะคะเมื่อไปประทะกันกับผีตะปุ่นหัวขาดค่ะกลางดงกล้วยตะนีที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็น์ะคะซึ่งเห็นเต็มเตมตาเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2544ค่ะจําวันเดือนปีไม่ได้แน่ชัดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างนานมาแล้วซึ่งเจ้าของเรื่องเนี่ย ย้ายมาอยู่กรุงเทพนานพอสมควรแล้วนะ่ยก็จาได้แค่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีงานวัดประจำปีของวัดหนองวงงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็มีสถานที่ที่แน่ชัดแล้วก็มีอยู่จริงเขียนจากชีวิตจริงของเจ้าของกระทู้หรือเจ้าของเรื่องในวัยเด็กนะคะเจ้าของเรื่องนี้เป็นคนตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านหนองป่าตอ และบ้านก็อยู่ใกล้กันกับวัดหนองป่าตอเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองหนึ่งเดียวแห่งความภาคภูมิใจก็คืออยู่ใกล้กับสนามบินของการบินไทยนะคะอาชีพหลักๆของคนที่นี่ค่ะก็จะมีทั้งทำนาทำไร่แต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเป็นสวนกล้วยตะนีเอาไว้ขายใบตองกันแล้วก็สวนละมุดคือมีเยอะมากนอกจากนั้นก็ยังมีสวนมะปรางบ้างมะยงบ้าง กระท้อนบ้างมะม่วงมะพราะ้าวคือแซมแซมกันไปในสวนนี่แหละนะคะหากว่าใครที่เป็นคนสวรรคโลกแล้วก็อาศัยอยู่ถถวตําบลท่าทองตําบลคลองกระจงตําบลวัดเกาะ อ, อยู่ในเขตอํเาเภอสรีสรําฤทธคงพอนึกภาพออกนะฮะว่าสมัยนั้นเนี่ยทางลาดยางหรือว่าปูนเสริมเหล็กก็จะมีแค่ทางสายหลักเท่านั้นส่วนทางสายรองก็จะเป็นทางลูกรังนะคะเจ้าของกระทู้หรือว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ที่ มอตน้นกำลังเข้าสู่วัยรุ่นค่ะแม้ว่าฐานะจะเข้าขั้นแบบหาเช้ากินข้าแต่ก็มีแฟนคนแรกกับเขาเหมือนกันนะทุกๆคนคงจะรู้ดีว่าอนุภาพแห่งความรักเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนนะคะเจ้าของเรื่องไปโรงเรียนแฟนก็มาคุยว่าเธอคืนนี้เนี่ยไปเที่ยวงานวัดบ้านหนองวงกัน ใครอยู่แถวนั้นต้องรู้จักงานวัดหนองบัแน่นอนนะคะซึ่งเป็นงานวัดที่ใหญ่และดังที่สุดในละแวกนั้นจัดทุกปีมีมหาหรสพมากมายซึ่งแฟนของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเจอในงานนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละคุณผู้ฟังหนุ่มสาวบนนอกสมัยนั้นเนาะที่จะเจอะเจอคนรักในตอนกลางคืนได้ที่งานวัดนะคะเจ้าของเรื่องเองบอกอ้าวผมก็งานเข้าสิ เพราะตัวผมเองเนี่ยฐานะไม่ค่อยจะดีเงินก็ไม่ค่อยมีแถมพาหนะที่จะพาไปไหนมาไหนได้ไกลๆในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีแค่จักรยานคันใหญ่ๆของยายคันเดียวประจำบ้านเจ้าของเรื่องเองก็ถีบได้แต่ต้องยืนถีบไปตลอดทางนะงานวัดหนองวงเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าอาศัยดวงไม่น้อยนะคะในการที่ ยายจะพานั่งรถ3ล้อเครื่องไปเที่ยวเหมือนบ้านอื่นซึ่งส่วนใหญ่ค่ะมักจะได้ไปตอนกลางวันเป็นหลักเพราะว่าถนนหนทางตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวแล้วก็ไกลพอสมควรด้วยความที่อยากเจอคนรักไงมันก็เลยทําให้เกิดความใจกล้า บ, บ้าบิ่นขึ้นจะเอารถจักรยานยายไปคงโดนด่าเปิงแน่ก็เลยตัดสินใจอ่ะเดินก็ได้วะ ลองลองลองดูแผนที่จากทางที่เข้าไปโพสต์ไว้นี่นะคะคุณผู้ฟังจากวัดป่าต่อสามคัคคีไปที่วัดหนองวงนี่โอ้โไกลเหมือนกันนะต้องข้ามแม่น้ํายมไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยเลือกที่จะเดินเอาค่ะคือเดินเป็นทางลุกรังเนี่ยนะคะปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรื อ, อยังเป็นทางาจากบ้าน มีมีบ้านบ้างนะคะประปรายตอนต้นทางแต่ว่าพอกลางทางไปเนี่ยก็จะเริ่มคดเคี้ยววกวนไร้บ้านอุดมไปด้วยความทำมืนวังเวงของป่าละมุดที่เจ้าของเรื่องเองเรียกว่าละมุดร้อยปีค่ะเพราะว่าแต่ละต้นนี่หูสูงเหมือนเปรตยงโยยิ่งถ้าเดินคนเดียวในทางสายดำตอนกลางคืนแบบนี้นะคุณเอ้ยนั่งรถกันไปหลายคนยังเสียววูบเลยแต่ด้วยความรักค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้า อนุภาพของรักแรกนะคะก็ต้องไปสิผู้มีจุดหมายอันแรงกล้าต้องไปใหถึงจุดหมายก็เลยตัดสินใจใช้เส้นทางที่ที่เป็นเส้นทางลัดนี่แหละนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางด้วยซ้ำมันเป็นสวนละมุดปนกับสวนกล้วยตานีเหตุที่เลือกเดินลัดเส้นทางนี้ไปเพราะว่ามันจะถึงไวที่สุดแล้วก็เป็นสวนที่เจ้าของเขาเนี่ยเพิ่งจะลงมื อ, อปลูกพืชพันธุ์อายุไม่กี่ปี ก็เลยมีความโล่งไม่น่ากลัวเหมือนโซนทางอื่นนะคะก็ออกเดินไปกึ่งวิ่งไปในความมืดที่ต้องรอให้มืดก็เพื่อไม่ให้ไม่ให้ยายเนี่ยรู้ว่าเราแอบหนีเที่ยวในวัยนั้นเนี่ยอายุ14ปีก็เอาหน้าแฟนมาข่มความกลัวทั้งมวลเดินลัดเลาะไปตามราวป่าผลไม้แล้วก็ต้นกล้วยตานีค่ะที่ยืนต้นทมินไหวๆจนบางครั้งก็ต้องหันขวับไปมองแต่ว่าคลามิมของการเดินทางในครั้งนี้คือการต้อง ไปบรรจบกับทางวงกลมสีชมพูอันนี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะจากคุณทวดที่เคยเล่ากรอกหูตลอดเลยบอกตรงนั้นมีผีหัวขาดตรงนี้มีผีชื่อตะปูนผีตะปูนนะคะทีนี้เนี่ยทวดก็เลยเล่าว่าสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยทวดยังหนุ่ ม, มสาวๆอยู่เนี่ยถือที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางแบบทางดินเล็กๆเกชื่อมระหว่างหมู่บ้านคือตะปุ่นเนี่ยก็เป็นคนรวยแกมักจะไปมาหาสู่แม่ไม้ คนท่าทองโดยใช้เส้นทางนี้เนี่ยเป็นประจำแกก็ขี่จักรยานของแกอยู่แบบนั้นเป็นปีค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งมีคนไปพบศพตะปุ่นนอนตายที่น่าหวาดกลัวก็คือตะปุ่นเนี่ยหัวเกือบขาดเพราะว่าโดนฟันเป็นที่น่าสยดสยองมากนะคะทรัพย์สินก็หายไปเหลือเพียงแค่จักรยานคู่ใจเท่านั้นทีนี้พอตะปุ่นตายโหงค่ะ ก็มีแต่คนเจอดีนั่นแหละนะคะเวลาที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไปเที่ยวงานวัดหนองวงงเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยก็มีคนเห็นคนเดินนําหน้าก็นึกอุ่นใจแหละเนาะว่ามีเพื่อนร่วมทางเอาไงทีนี้พอเดินเข้าไปใกล้เห็นชัดตาเลยนะคะกลางคืนเดือนงายเห็นคนที่เดินนําหน้าอยู่เนี่ยเป็นตะปุ่นค่ะมาเดินหัวร่องแรงในสภาพตอนตายเลยคือคนเห็นก็ได้แต่วิ่งแหกปากร้องลั่นป่าตอนกลางคืนไป แรกๆคนก็ว่าคนที่เจอคนแรกเนี่ยกุเรื่องหลอกคนอื่นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเจอกันเป็นหมู่คณ ะ, ะค่ะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนคนรวยก็จะขี่จักรยานคนจนก็เดินเท้ากันถ้าไปกลางคืนอย่างไปงานวัดหนองวงก็จะจับกลุ่มกันเดินนะคะก็คิดว่าเดินกันเป็นกลุ่มจะรอดไม่ค่ะผีตะปุ่นเนี่ยหลอกกระเจิงทั้งกลุ่มไปคนละทิศคนละทางทวดบอกว่า ขณะที่เดินไปขาไปเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าขากลับเนี่ยดึกๆน้ําค้างลงยอดย้าขณะเที่ยวเดินเดินงานเนี่ยที่ไปเที่ยวเดินเล่นในงานเนี่ยนะคะพอเดินทางกลับมาถึงจุดที่ตะปุ่นตายลมเย็นๆกลางคืนมันก็วิวววค่ะเสียงถีบจักรยานก้องแกง้งก้องแก้งตามหลังมาได้ยินกันทั้งกลุ่มจะรออะไรล่ะคะทีนี้ก็วิ่งกันผ้าถุงหลุดลุยกันบ้าง แล้วผีตะปุ่นแกก็ขยันออกสังคมมากเลยนะคือแกหลอกทุกผู้ทุกคนเลยที่สัญจรผ่านทางนั้นเป็นที่เลื่องลือค่ะจนคนในยุคนั้นไม่กล้าผ่านทางสีชมพูกันอยู่พักใหญ่แล้วผีตะปุ่นเนี่ยก็ค่อยๆเลือนหายไปจากคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่พร้อมความเจริญของถนน ซึ่งสมัยก่อนนะคะถนนเส้นนี้ก็จะอาจอาจจะเป็นถนนดินซึ่งถ้าเป็นทางบ้านของบีเองก็จะเรียกว่าทางกเกวียนอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือณนะปัจจุบันเนี่ยนะคะก็กลายเป็นดินลุกรังกันไปแล้วแต่ก็มีเสียงลือกันนะคะว่าตะปุ่นเนี่ยแกยังไม่ไปไหนหรอกวันดีคืนดีแกก็โผล่ออกมาถีบจักรยานให้คนเห็นบ้างเพียงแต่ว่านานๆเ น, นี่ยแกจะโผล่ม่เห็นทีถ้าคนที่กลัวๆผีหน่อยหัวเด็ดตีนค่ะจะไม่ยอมผ่านทางนี้เลยนะคะเว้นแต่พวกที่ไม่รู้ประวัติ อันนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวของเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าแม้ว่าตัวผมจะรู้ประวัติแต่ก็คิดว่าคงเป็นนิยายที่ทวดเอามาหลอกเด็กมากกว่าแต่พอยิ่งใกล้ถึงทางเส้นทางที่ตะปุ่นหลอกคนเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกใจหวิวขึ้นคือคิดเอาเองนึกเอาเองอยู่ในใจก็เริ่ม ป, ดปอดๆแล้วค่ะแต่ก็ต้องไปให้ถึงพอไปถึงถนนค่ะก็เร่งฝีเท้าเดินเกือบวิ่งเพื่อจะรีบไปให้ถึงทางดา นะคะตอนนั้นก็บุกป่าฝ่าดงมาเหนื่อยและก็เลยคิดว่าจะเดินตามทางดีกว่าโชคยังดีอยู่บ้างที่เป็นช่วงหัวค่าเพราะว่าจะมีรถ3ล้อเครื่องรถมอเตอร์ไซค์บ้างผ่านมาเป็นระยะระยะนะคะเพื่อไปงานวัดหนองวงพอมีรถมาตัวเขาเองก็จะหลบลงข้างทางเพราะว่าอายที่มาเดินอยู่แบบนี้ทีนี้เนี่ยขาไปก็สะดวกค่ะไม่มีปัญหาอะไร ได้ไปเจอหน้าแฟนในงาน แ, <ao S 1> แฟนก็ปลีกตัวจากครอบครัวแอบมาเดินกับเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะความรักอ่ะเนาะเมื่อผ่านความลำบากมาพบเจอมันก็มีความสุขแบบนี้แหละก็เลยไปนั่งดูลิเกด้วยกันนั่งดูจิงช้าปลาโป่งเดินดูของในงานตัวเขาเองก็ทำงานขึ้นละมุดมาก็เลยพอมีเงินเก็บอยู่บ้างเพื่องานนี้เวลาแห่งความสุขผ่านไปไวมากค่ะเกือบเที่ยงคืน เขากับแฟนก็ต้องแยกกันนะฮะเพราะว่าแฟนเขาก็ต้องกลับกับทางครอบครัวส่วนตัวของเขาเองก็ต้องกลับบ้านเช่นกันทีนี้หละคุณเวลากลับเนี่ยคือเขาเลือกกลับทางเดิมก็อัญเชิญหลวงพ่อจากรคนี่มาไว้ในมือแล้วหละนะคะเลือกเดินไปในที่มืดมืดบนทางสีดำนั้นคือจริงบีต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า เขาเอาเรื่อเอาแผนที่ที่เขาเดินเนี่ยมาโพสแแปลไว้มันจะมีทางเส้นประสีฟ้าทางสีดำทางสีชมพูนะคะเขาก็เลยใช้คำว่าทางสีดำทางสีชมพูให้เห็นภาพเนาะทีนี้เนี่ยคือเวลาที่เขาเดินกลับเนี่ยเขาก็เดินบนทางสีดำเส้นที่มันเป็นเส้นหลักนะคะมืดๆเพราะว่าไม่อยากให้คนที่อ า, อาจจะกลับเหมือนกันโดยรถเครื่องมาเจอเขา ก็ I อายนะคะเหตุผลหลักๆคืออายเพราะว่าเราจนมาเดินอยู่แบบนั้นทีนี้พอมาถึงจุดเชื่อมกับถนนสีชมพูสีชมพูนี่คือทางลัดที่ทวดเคยเล่าให้ฟังมันก็มีความมืดวังเวงแล้วค่ะทำให้ใจเต้นตึกตักตึกตักหน้าชาก็เลยเดินไปในความมืดแบบเงียบๆมือไม้นี่เย็นเฉียบคิดในใจว่านี่กูมาทาอะไรวะเนี่ยความที่อยากเดินกลับให้ถึงไวัยไงก็เลยกล้าใช้ทางนี้ทีนี้พอถึงทางสายสีชมพูค่ะ ไม่เดินละ ว, วิ่งอย่างเดียววิ่งแบบเต็มเหยียดเลยเพื่อไปให้ถึงทางตัดเข้าสวนสายสีฟ้านะคะสีชมพูคือทางที่ตะปุ่นตายและมันจะไปบรรจบกันกับสีฟ้าสีฟ้าคือทางลัดอีกเส้นหนึ่งที่จะเข้าทางด้านของสวนพวกละมุดพวกกล้วยตานีนะคะทีนี้ก็รีบวิ่งเลยล่ะคะ่ะกึง่งวิ่งกึ่งเดินซอยยิกยิกยิกเลยกําลังจะถึงโคง้งเฮ้ยเงาใครข้างหน้ากูวะก็เลยชะลอฝีเท้าลง นาทีนั้นนี่ต้องยอมรับเลยว่าใจหายมากมันเงาคนแน่ๆเลยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ไปไม่ไกลนี่คือเงาคนชัดๆเห็นในความมืดค่ะว่ามีเงาใครบางคนเนี่ยกำลังปั่นจั ก, กรยานเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงดังเอียดอารเอียดอาทเท่านั้นคุณผู้ฟังเคยกลัวอะไรแบบจัดๆไหมคะอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่ต่างกันเลยขาแข็งเท้าแข็งเหมือนโดนสาบยืนกลางขามือไม้สัน่นมองเงานั้นไหวในความมืด ก็แบบแอบคลางออกมาเบาๆแล้วนะบอกตะปุ่นอย่ามาหลอกผมเลยผมกลัวแล้วครับตาจะทําบุญไปให้นะครับซึ่งตอนนั้นเงานั้นก็ยังไม่หายไปนะก็ยังคงปั่นห่างออกไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเรื่อยๆเงากล้วยตานีที่มีเนี่ยมันเป็นดงทํามึนไงก็โบกโยกไหวไปมาคล้ายกับเงาปีศาจ ท, ที่โบกไหวมือเลาะนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องบอกผมกลัวผมแทบหยุดหายใจเพราะว่าเงามันชัดๆแบบนั้น ก็เลยนึกถึงคําเล่าของทวดแล้วใจหายวูบแล้วก็เห็นเงานั้นปั่นหายเข้าไปในดวงกล้วยตาหนีตรงโค้งนะคะเท่านั้นแหละค่ะหายสงสัยแล้วว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่แหกปากร้องลั่นกลางดึกสนันบนเส้นทางนั้นบอกผีหลอกอย่างเดียวเลยไม่ไปแล้วทางลัดแหกปากร้องวิ่งกลับไปทางเก่าความไวน่าจะสูสีกับยูเซนโบนะคะ วิ่งแหกปากแบบนั้นไปจนถึงถนนสายสีดําคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กลัวต้นละมุดร้อยปีแล้วกลัวตะปุ่นที่ปั่นจักรยานหายไปต่อหน้าต่อ ต, อตาเมื่อกี้มากกว่าก็เลยกะว่าจะวิ่งตามถนนสีดําไปขึ้นถนนใหญ่สายสีแดงเส้นเอาอ่าเน้นเอาบ้านคนไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจดีกว่าไกลช่างมันวิ่งมาได้เกือบถึงทางใหญ่สายสีแดงก็เหนื่อยแล้ค่ะทีนี้นั่งหอบแฮกแพกเป็นหมาอยู่ข้างทาง อเผอินว่ามีรถ3ล้อเครื่องวิ่งสาดไฟตามหลังมาก็หมดแรงที่จะหลบนะคะก็เลยยืนย่อเข่าเพื่อหอบอยู่ทีนี้พอรถมาถึงเขาก็จอดฟึบข้างตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็เลยถามบอกเอา้าไปยังไงมายังไงไหลหนูคนที่ไหนเนี่ยก็เลยรีบตอบไปเลยบอกว่าจะไปหนองป่าตอออผ่านทางเขามาจากหนองชุมแสงก็เลยได้อาศัยรถเข้าไปทีนี้เนี่ยพอมาลงที่หน้าวัดหนองป่าตอค่ะ ชาวบ้านเราก็ฮือฮากันบอกว่าเป็นคนที่กล้ามากเลยนะที่เดินมางานวัดคนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยนั่นแหละเพราะกล้านี่ไงก็เลยโดนผีตะปุ่นเล่นงานมาเมื่อกี้นี่คือหลอกกันเห็นเห็นเลยคาตาเลยผแีแน่เลยปั่นจักรยานนำหน้าตามตำราทวดว่ามาเป๊ะเลยนะคะแถมเห็นว่าหายเข้าไปในดงกล้วยตรงโค้งอีกโอ้โหทีนี้แหละตะปุ่นเอ้ยตะปุ่นหลอกแม้กระทั่งเด็กนะคะ คืนนั้นปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านด้วยความเพลียก็แอบย่องขึ้นบ้านเงียบๆก่อนจะไปนอนพอตื่นเช้ามาก็ทำตัวตามปกติไม่กล้าเอาเรื่องที่ไปเจอผีแต่ปุ่นหลอกเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังเพราะถ้ายายรู้ว่าหนีเที่ยวแล้วก็ขาลายแน่นอนทีนี้เลยไปนั่งช่วยยายปอกเปลือกพวกอปอกระสานะคะก็มียายโอมาหาคุณยายของเจ้าของเรื่องเนี่ยคุณยายเขาก็นั่งคุยกันเจ้าของเรื่องก็แอบฟัง ยายโอบอกยายยายของเจ้าของเรื่องบอกนี่มีคนที่ท่าทองเนี่ยหามตะหยิบพามาส่งที่บ้านเมื่อเช้าถามได้ความบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแกไปเมามาจากวัดหนองวง้งขากลับแกก็เดินจูงจูงรถจักรยานกลับมาบ้านพอมาถึงทางที่ผีตะปุ่นเคยอรารวาสนะแกก็เกิดกลัวก็เลยพยายามปั่นจักรยานมาทั้งที่เมาแบบนั้นแหละ ผลก็คือตาหยิบเนี่ยคุมรถไม่ไหวเพราะว่าเมามากก็เลยพุ่งเข้าไปนอนในกอกล้วยตานีให้ยุงดูดเลือดทั้งคืนยันเช้าคนท่าทองผ่านไปเห็นแกนอนในดงกล้วยพร้อมจักรยานคู่ใจก็เลยพามาส่งที่หนองป่าตอพอตอหาหยิบสั่งเมาค่ะก็เพ้อว่าเห็นเงาคนนี่ตามหลังแกมาแกคิดว่า ต้องเป็นผีตะปุ่นที่เคยหลอกคนที่ผ่านมาทางนั้นแน่นอนแกก็เลยพยายามขึ้นจักรยานเพื่อจะปั่นนี้แต่ว่าแกไม่มีเรี่ยวแรงพอค่ะก็เลยบังคับรถไม่ได้เลยพุ่งเข้าไปในกอกล้วยตะนีแล้วแกก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนเช้าตอนมีคนไปขย่าวตัวแกนั่นแหละแกบอกผีตะปุ่นเนี่ยเฮี้ยนจริงๆเห็นจะจะคาตาเลยบอกว่าออกมาเดินตามหลังตะหยิบเนี่ยคือแบบเห็นจะจะเลย พอเจ้าของเรื่องน ะ, ะ่ะได้ฟังที่ยายโอเล่าเสร็จเนี่ยก็นั่งพูดกับตัวเองบอกือแม่งเอ้ยเจ้าของเรื่องอุทานแบบนี้จริงๆน ะ, ะ่ะบีขออนุญาตอุทานบ้างโหยกูก็นั่งอ่านจนจบเนาะชีวิตอืผีเจอผีเป็นยังไงล่ะทีนี้ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดเนาะอ่ะฟังกันไปนะคะเรื่องไหนหน่ากลัวก็เอาไปหลอนก่อนนอนเรื่องไหนที่มันตลกก็ถือว่าเพื่อความบันเทิงคลายเครียดให้ตัวเองไปนะคะขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการพระเจอผีของเราด้วยค่ะใครที่มีเรื่องเล่าแบบนี้นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage พระเจอผีของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ